ทกทัางกินมาและลืมเจตนาของตนที่ลงมาศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ดยการเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกถือว่าเป็นสิ่งสาคัญหรือเป็นสาระคุะ <c oughs> มน้อมเพื่อาาพุทธเจ้าและทำประสงค์ มาเป็นของประโยชรดเรวยิ่งกว่าสิ่งใดๆในโลกทั้งสามนี้จึงไม่มอบกายถว า, ายตัวพร้อมทั้ ง, งจิตใจสลับทุกสิ่งทุกอย่างที่โลกรักสงวนเข้ามาสู่เพสแห่งความเป็นนักบุเพื่อจะปลดเลื่องภ <c oughs> าระที่เป็นสิ่งกัดก้อนหรือข่าสิก ต่อการบำเพ็ญสมณธรรมด้วยการบวชการบวชก็คือการเลาเว้นในจิตที่โลกทั้งหลายทำกันแต่หาประกอบบำเพ็ญธรรมตามทางของนักบวชและเจตนาของตน <c oughs> ด้วยเหตุนี้เจตนา ติงวางไว้เป็นรากฐานของใจทุกๆขณะอย่าได้ลีนเจีนาหรือความมุ่งมั่มนเพื่อเพื่อทำทุกขั้นจนถึงจุดหมายปลายทางที่เราตั้งไว้แล้วดำเนินตามเบีนาของตนอย่าได้ลดละจากทุกยากลำลากเพียงไร <c oughs> ยาให้เหษีแสดงอุปสรรคขึ้นมาให้เกิดความพ่อแท้อ่อนแอภายในใจเพราะสิ่งที่กลางนี้นุ่มหออยู่ภายในใจิตใจจะต้องแสดงออกก่อนอัดก่อนรม ท, ที่ทั้งๆ ท, ที่เรามุ่งมั่นต่อทมอยู่แล้วแต่สิ่งนี้จะแทรกจะแตง ความคิดความเห็นความรู้สึกในแน่ต่างๆที่เป็นอัดเป็น ร, รมอยู่เสมอด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้มีสติระมัดอระวังตั้งใจท่านกล่าวไว้ในธรรมว่า ก, การบวชเป็นของยากบวชแล้วที่จะประจารณาปฏิบตัติตามหลักส่อคาถาธรรมเป็นของยากทาา่านหมาา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 ร่วมต้นต่างๆไม่ได้เป็นงานที่ต้องถูกบังคับด้วยวันด้วยปีด้วยเดือนด้วยสัญญาข้อตกลงหรือข้อบังคั บ, บต่างๆเป็นงานอิสระเป็นงานของผู้ดำเนินนั้นจะพึงดำเนินไปด้วยอิสระและื่อยความตั้งใจของตนไม่มีอะไรมาบีบมาขวาง ม, มาบีบบังคับ ให้ต้องทำอย่างนั้นให้ต้องทำอย่างนี้ <c oughs> แต่เราเป็นผู้บีบบังคับสิ่งที่เคยบังคับสิ่งใจของเราคือกิเลสประเภทต่างๆนั่นต่างหากหากจะเป็นความลําบากก็าลาบากเพื่อการบังคับสิ่งชั่วช้าละโมดภายในจิตใจของตนให้ออกไปจึงไม่ถือว่าเป็นความทุกข์ความลำบากมีการน้ำเนิน การงานของพระถ้าตามอัดตามทำตามเจตนาของพระแล้วเป็นงานที่รากพื้นดีหนักงานจะเกิดผลเกิดประโยชน์ทั้งส่วนตนเป็นเบื้องตนและผู้เกี่ยวข้องโดยลาดับโดยไม่ต้องสงสัยไม่มีคำว่าเสียงได้เสียงเสียเพราะงานนี้ไม่ใช่เป็นงาน ขึนอยู่กับข้อบังคับของผู้อื่นผู้ใดหมายถึงอะไรแต่ความเป็นอยู่ง่ายสะดวกสบายถึงการสนับสนุนของประชานะชนศรัทธาก็พร้อมอยู่เสมอแต่เพราะว่าเรานั้นรู้สึกจะเหลือเสือพราะการสนับสนุนของประชาชชน ผู้ดีใจดีข้งางในปัจจัยทั้งสี่สีว่วรบินรรบทั้งบกอาหารการบริโภคที่ที่อาศัยยาแก้ไข้พอเป็นไตและสมบุรอยู่โดยสม่ำเสมอ ก, การขบการฐานการท้ายสอยของพระตามหลักแห่งศาสด า, าแล้วก็ไม่ฟุ้งเผือไม่ฟุ้นโซโหม่โหม่นันเป็นกิริยาลิพย์เรื่องของโลกขามาแสงจึงมีความเป็นอยู่อย่างสะดวกสบายไม่มีใครจะสะดวกยิ่งกว่าพระที่โลกเขา ชาวพุทธเฉพาะอย่างนี่งงงแถวถือเป็นจิตใจจริงๆแม่รัฐบาลก็ถือพุทธศาสนาและส่งเิ์เพราะฉะนั้นจึงเป็นความสะดวกสบายทุกสิดงทุกอย่างทั้งความเป็นหนึ่งของรรมะเป็นอยู่อย่างอิสราไม่มีใครมาบิดตรงครับนาฤทมาไถมากดถีข่มเหจะเอาอันนั้นจะให้ทอย่างนี้ดูด้วยความสะดวกสบาย ในเอียบท่างๆให้ความเป็นอิสระ ด, ด, ด้วยความเทิดทูนด้วยความเชื่อความสงสัยและวางบุญกับพูดปฏิบัติเป็นธรรมนั้นเลยแท้การบรรพงศ์กเป็นอิสระความเป็นดุก็เป็นอิสระที่ถ้าพูดตามหลักธรรมแต่ถ้าพูดเกี่ยวกับเรื่องสิ่งที่เป็นมารคอยจีดขวาง คอยกั้นกลางคอยบีบบังคับเพราะเคยเรียนนาตมานานนั้นก็เป็นของยากที่จะปลีดตัวออกมาในทางธรรมยากในการปฏิบัติต่ออัด ต, ต่อทำเนเดินตรงๆนั่งสมาธิภาวนารักษาปิถขาบที่ในน้อยใหญ่การเป็นของยากไปหมเพราะกิเลสคลายต่างพาให้ยากทาให้ลำบาก ปิดความไว้อยู่เสมอไม่ให้มีช่องทางเดินเพื่อความหยุดพ้นจากอำนากของมันธึงเป็นความยากสำหรับคนที่จะบวชได้ในเมื่อมีความเห็นดีเห็นาเรื่องดิงบันเทิงไปกับอารมณ์หนีน อ, อยู่ <c oughs> แต่ผู้เห็นโทษเห็นไทย ในเรื่องของงานทุกๆเรื่องและเห็นคุณค่าแห่งธรรมย่อมปีติตัวออกได้ด้วยความสะดวกสบายการประกอบความภักเพียนจะยากลาบากเพียงไรก็ปรเป็มไปด้วยความเต็มใจมุ่ความเต็มใจความพอใจความรักใช่ในงานใดมีอยู่ประจําใจแล้วงานนั้นแม้จะยากลาบากเพียงไรก็ไม่เห็นมีอาเป็นอารมณ์ว่าเป็นของยากเป็นของลำบาก เพราะสิ่งที่เราต้องการนั้นเหนือมีอำนาจเกินกว่าที่จะมาถือความลำบากสําคัญนี้มาเป็นอุปสรรคจึงขล่มตัวในการเข้าเกาะของภาคอื่นอดก็ยามอดอิมก็ยามากเ ม, มื่ออินถึงค้าวที่จะอดก็อดถึงข้าวที่จะอินก็อินถึงข้าวลำบากก็ต้องลำบากถึงข้าวทกุก็ต้องทุก ในการต่อสู้ที่อเอาตัวรอดเป็นยอดคนยอดคนก็คือยอดเราเราเป็นค น, คนยงการฝึกผลทรามานผู้อื่นผู้ใดก็ตามอยากสนใจมากยิ่งกว่าการฝึกผลทรามานตนเองในขั้นประพฤติปฏิบัติเพื่อชำระสิ่งที่อยากโลนทั้งหลายอยู่ภายในอันเป็นการผิดขวางต่อตอัดต่อทำทางเดินเพื่อความเพิ่มเิอยู่เสมน ใจ ต, ตามปกติย่อมถูกกดท่วงอยู่ด้วยเรื่องต่างๆจนไม่สามารถจะนับผ่านได้ว่าเป็นเวลานานเพียงไรผ่านชืงอเรียกว่าอาจินไตยอจินะโยุไม่ควนไปคิดไม่นจควรไปคันว่าจิตนี้มีมาแต่เมื่อไรวิเลสเป็นเคี่ยงกดท่วงจิตใจหรือแทรกใส่จิตใจพาให้เกิด ให้ตายมิมานานเทอาไรเราอยากคิดให้เสียเวล่ำเวลาท่านเรียกว่าจินไตไม่ควรคิดเสียประโยชน์และทำผิดใจให้พ่อแท้ออกแอร์อันเป็นเป็นฝ่ายของะะเสด็จป่าลถาเช่นเดียวกับน้ำยอกเท้าเราไม่ต้องไปถามถึงว่าน้ำนี้เป็นน้ำสกุลใดม่อยู่ที่ใดต้นลำของมันและเกิดมาตั้งแต่นาเท่าไร เสงที่ถูกก็คือรีดถอนน้ำออกมาหรือบงออก ท, ทันทีมียาอะไรรีดหามาบำบัดรักษานั่นคือความผิดต้องเวลานี้น้ำคือกิเลสกำลังย่ออยู่ภายในจิตใจจะมาจากสกุลใดก็ตามเกิดมาท้านานเทอาไหรก็ตามไม่ต้องไปคำนึงให้เสียวเวลายิ่งกว่าการขอถอนน้ำคือกิเลสนี้ออก จาจิตใจด้วยความเพียรของตนจนสุดกําลังความสามารถเท่านั้นนี่เป็นความถูกต้ง <c oughs> องเหมาะสมตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าเพราะนี่อยู่ในวงแต่งฐานะคือสิ่งที่เป็นไปได้เพียงที่จะไปย้อนหลังเ <c oughs> ท้าหาเรื่องหาราวของเหตุประเภทต่างๆที่ร่วงลงจิตใจมาเป็นเวลานานเท่าไหร่นั้น ไม่เกิดผ ล, ผลเกิดประโยชน์อะไรถาเป็นหนามย่อท้ากว่าจะได้เหตุได้ผลหรือยังไม่ได้เหตุได้ผลด้วยซ้าไม่ยอมถอนหัวหนามออกถามค้นคว้าหาตะกุลหนามอยู่ก็ตัดไม่หยุดไม่ถอยผลสุดท้ายฝ่าเท้าก็าาเน่า เ, เสียไปหมดทั้งฝ่าเ้าและอวัยวะส่วนที่คอยให้เสียไปด้วยก <c oughs> ารคิดไปถึงเรื่องวิเลศ กับสิตใจที่เคยพัวพันกดสีบังคับหรือเป็นพิษเป็นภัยกันมานานเท่าไหร่แต่กับใดกันใดนั้นก็เช่นเดียวกับคนที่ถามถึงเรื่องน้ำว่าเกิดมาจากสักคณใดน้ำประเภทใดนั่นเองอันใดที่เป็นฐานะพระพุทธเจ้าขอทรงสอนไว้ไม่ให้ยุ่งอันใดควรใดที่เป็นฐานะที่ควรเป็นไปได้ พระพุทธเจ้าคงสอนลงในจุดที่เป็นไปได้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสวัขาิธรรมตราบไม่ชอบสิ่งที่ไม่ควรเขาบอกว่าไม่ควรอย่าฝืนอย่าด้วยดิงคิดไปทำไปสิ่งที่ควรให้คิดให้ค้นให้พินิจิจารณาให้ปฏิบัติไปตามหลักทำท่านอกอกกล่าวไว้ว่า อาตีตังอาตีตังนานนากรรมยะนับปฏิการเทสนากระตังปัจจุตันนันตโรธรรมะปัฏฐาปัฏฐายปัสสตินี่ด้นเข้ามาอนีตที่ล่วงมาแล้วนานจังไหรก็ตามอย่าไปยุ่งเพราะสิ่งนั้นผ่านมาแล้วเป็นไปแล้วจะเป็นดีเป็นชั่วเป็นสุดเป็นทุกข์ประการใดก็เป็นไปแล้วอย่าไปยุ่งเป็นอารมณ์ของมันให้เสียเวลาเวลา <c oughs> อนาคตที่ยังไม่มาถึงก็เป็นเรื่องของอนาคตอ ย, ย่าไปยุ่งนะให้เกิดปรยชนมันไม่เกิดประโยชน์ให้พิจารณาในวงปัจจุบันซึ่งเป็นความเหมาะสมอันเป็นทางหลักมีเท่านั้นแม้จะพิจารณาทางบ้านอนาคตก็ต้องริ่นเข้ามาในหลักปัจจุบันเพราะปัจจุบันคือ <c oughs> ความเป็นอยู่ขณะนี้เป็นผูรพาระทั้งหมดไม่ว่าอดีตที่ล่วงมาแล้วไม่ว่าอนาคตที่ยังขางห น, นาถถ้าจิดไปไปล่อยว้าหาก็ต้องมาเป็นภาระให้แบบหามและได้รับความทุกข์เป็นได้ไม่สงสัยด้วยเหตุนี้ถังเป็นสอนที่กำลงมาในวงปัจจุบั <c oughs> <c oughs> นการปฏิบัติธรรมให้เรง เร่งทำเร่งขนบกับเพณีของพระพุทธเจ้าและภาษาวกท่านประดักถึงทำที่ท่านประธางไว้แลอย่างไรเป็นหลักเครื่องดำเนินของใจอย่านำสิ่งอื่นใดเข้ามาเป็นใหญ่โตมาผิดมาขวางมาทำลายจิจการงานอันชอบธรรมของตนให้ด้อยและเสียไปไม่ใช่ทางนี่เราบวดเป็นพระเป็นภูมิ มมที่อยอมรับกันแล้วถึงที่ยังไม่เต็มภูมิก็คือความภาคเพียรและอัตธรรมที่เราต้องการจงพยายามบำเพ็ญให้เต็มภูมิความสามารถของเราสติปัญญาสัจชาความเรียนมีเท่าไหร่ให้ทุ่มเทกันลงเพื่อขอบเพือส อ, อนหัวหนามหรือกิเลสประเภทต่างๆซึ่ง เียรติแทงอยู่ภาในใจิตใจไม่มีวันถอนเลยนี้ให้ออกไปจากจิตใจโดยลําดับลำดาด้วยศรัทธาวิริยะสะติสมาธิปัญญานี้นี่เป็นเครื่องมืออันทันสมัยอันเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับผู้ประกอบความเกียรติจะมีทางหลุดพ้นไปได้โดยลําดับมีความหนักแน่นต่อแดงพ้นทุกความที่เคยจมอยู่ในโลกนี้นั้น ไม่มีผู้ใดสงสัยเพราะเป็นผู้รับภาระเป็นผู้เคยล้มจมอยู่กับความเกิดแก่เกิดตายอันเป็นไปด้วยความทุกนี้ด้วยกันทุกอยายไม่ว่าจากวอบุคคลบรรดาที่มีวิญญาณแข็งเป็นแต่ยังไม่ทราบความเป็นมาของตนและไม่ทราบวิธีออกวิธีแก้ไขไม่ทราบทางออกหรือไม่สนใจต่อการศึกษาเพื่อหาทางออกเท่านั้น จึงยอมจมกันหมดสิ่งที่จมกันอยู่นี้เป็นสิ่งที่มีอยู่ประมีอยู่ประจันจิตใจของสัรโลกโกดขีบังคับจิตใจอย่างนั่นตลอดนานหาก จ, กจะเลิจะเลอก็เลิเลไปแล้วพิเศษี่โสไปแล้วเราทุกคนเคยโดนสิ่งเนลนี้ มาเสียมากต่อมากจึงไม่ควมสงสัยว่าจะมีชิ้นดีอะไรอีกในแดนแห่งส ม, มุตินี้ทำท่านเกาไม่ว่าลระเตดเช่นโลกุตรัตถังทำเหนือโลกต่างเดียอายที่เหนือโลกนี้ไม่มีไม่ปรากฏเป็นโลกด้วยกันทั้งหลาง ไม่ว่าส่วนใหญ่กกส่วกลางส่วนละเอียดไม่ว่าชั้นใดพุดในใดสองกำหนดแหงสัตว์ที่เกิดตามมากแห่งกรรมของตนต่างแต่แอรสหาเวทีขึ้นมาจนกระทั่งถึงธรมโลกขั้นสุดท้ายคือสุดท้าว่าห้าทัมใไม่แก่อวิหาปรปตาเพื่อสาธทุสุทัศสี ยังมีสมมุติแสงอยู่ทั้งนั้นยังไม่ได้จัดว่าเป็นโล ก, กุตละอันสมบูรณ์เป็นแต่เพียงว่าก้าวเข้าสู่กระแสะแห่งโล ก, กุตระนับแต่พระโสดาขึ้นไปพระตะกีภาคาพระนาคาเ <c oughs> มื่อพ้นจากนั่นไปแล้วเรียกว่าโล ก, กุตละอย่างเป็นผู ได้จะอาหาสตะภูนหรืออาหารตะปูนี่คือทําเหนือโลกเหนือขึ้นไปดูลำหนกจนถึงท่านผุดเจ้ามีเท่านี้ที่เป็นทิ่เหนือโลกได้นอกนั้นไม่ต่ละเอียดขนาดไหนก็ยังอยู่ในสมมติตามขั้นภูมิของตอเนเมื่อสมมติยังมี้แค่อยู่มากน้อยละเอียดเพียงไร เพิ่งทราบว่าทุกต้องแทรกอยู่ในนั่นละเอียดมากน้อยประดำตามกันไม่บริสุทธิพุโทโธเอมที่เป็นฐานเหมือนจิตที่บริสุแทแล้วที่เรียกว่า ร, ระคตภูุิอันเป็นธรรมจิตเป็นธรรมเหนือโลกโดยถ่ายเดียวเ <c oughs> ที่กรามาทั้งหมดนี้เป็นท่านผู้ใดกัน เป็นท่านผู้ใดประกาศไปทามัยไทยาสะด า, างอง์เอกที่ทรงรู้ทรงเห็นไปจากท่าไทยแล้วเทียบเทียงกันถ้าหากจะเทียบเทียงก็เทียบเทียงได้ทุกสัตทุกเ่วงหาที่สงสัยไม่ได้แล้วระหว่างโลกกับธรรมทายในท่าไ ท, ไทยของพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนั้นเพราะแรงแห่งส ม, มุนนี้พระองค์ก็เคยต่องเทียวมาเป็นเวลาไหน เมื่อพ้นจากสมมุติแล้วพระจิตนั้นเป็นอย่างไรพระองค์พระประสักษ์พไทยไม่สงสัยจึงได้ยกทำที่ประสักษ์พระไทยอย่างเป็นดวงแล้วนั้นขึ้นมาว่าโ ล, โลกุตตระธรรมนี่คือธรรมที่เหนือโลกแท้ยิ่เศษกว่าโลกทั้งหลายโดยแท้ไม่มีสิ่งใดในสามแดนโลกฐานนี้จะเป็นคู่แข่ง ได้ถ้ายังเป็นคู่แข่งไา้ก็ไม่เรียกว่าเหนือนี <c oughs> ่เหนือโดยประการทั้งสวงนี <c oughs> ่คือจากวระดาองค์เอกได้ประกศากศสนว่าเราเป็นลูก ศ, รรษศิกศรรษย์พระพุทธเจ้าองค์เอกการดําเนินการประพฤติปฏิบัติขอให้เขาร่องเารอ ย, อยทางของสหแห่งทางของสาวสะดาที่จะดําเนิ น, นะะและทำที่ประกาศสอนไว้ ถ้าสงสารโลกแต่ละ อ, องค์ละองค์ที่เป็นสํานักของเหล่านั้นสมบูรณ์ด้วยธรรมที่กล่าวที่เรียกว่าโลกุปตะธรรมแล้วทั้งนั้นไม่เป็นที่สงสัยว่าจะตกค้างอยู่ในสมมุติใดแม้ละเอียดตอนที่สุดเป็นท่านผู้วีเศษล้วนแล้วทั้งนั้น <c oughs> ธรรมก็เป็นโลกุปตะธรรมอันเป็นธรรมที่ทบริสุทธิ์ส่วน ไม่มีสิ่งใดสมอเหมือนมีเราทั้งหลายมาปฏิบัติงานเพื่อผลเหล่านี้เพราะฉะนั้นงานของเราที่ทําจึงต้องให้ต่างจากงานทั้งหลายที่โลกทำกันไม่เช่นนั้นจะไม่ผิดจากโลกเพียงแต่ถ้าการะสารพัหนึ่งเหลืองของเหลืองคนผมขนชื่อเท่านั้นใครก็ทําได้ไม่เป็นสิ่งสําคัญเลยเพราะนี่เป็นเครื่องประกาศให้โลกทราบและ ประกับให้ตนไม่หราปกระตับใจว่าเป็นเพศนี้เหมาะสมกับงานนี้จึง <c oughs> <c oughs> ต้องดำเนินงานของตนให้ผิดจากงานทั้งหลายแต่เพราะอย่างยิ่งถ้าตปเป็นธรรมสำคัญมากปัญญาใช้เสมอ ในเวลาถูกสัมผัสกับสิ่งต่างๆติ ต, ตรักฐาจิตเสมอเกี่ยวว่าเป็นผู้ปลอดภัยตาเคยดูเพยเห็นแล้วแล้วบวกคูณหารดูได้ผลมากน้อยเี่าไหร่หูจมูกเลี้ยงกายเคยสัมผัสสัมพันธกับโลกนี่มามากน้อยเี่าไหร่นานเท่าไหร่ตั้งแต่วันเกิดมานี้ ตลาดถึงจิตที่เกี่ยวกับธรรมอารมณ์ซึ่งถือเอาสิ่งสัมผัสทางตาหูสมุกลิ้นการนั้นเข้ามาเป็นอารมณ์เรียกว่าธรรมารได้ผลมากน้อยเพียงไรพอที่จะเสียดายในความคิดความเห็นามได้ยินได้ฟังทำสัมผักสัมผันก็ผิดเพราะสิ่ ง, ง, น, งนี้เป็นโลกอโู่โกยกติธรรมนาของเขา การคิดไปตามโลกตามมิศาลก็เป็นจิตธรรมดาดังที่โลกเขาคิดกันไม่ได้ผิดแปลกจากความคิดของโลกเขาเลยจะเรียกว่าเป็นความคิดความเห็นความดูความได้ยินได้ฟังความถั่บถั่งันอันมีสติปัญญาซึ่งเป็นแนวทางถอดถอนของทักได้อย่างไรถ้าเราไม่นํามาพิจารณานํามาขีใคลายจะไม่ผิดอะไรจากโลกเขาเพราะตาหตูจมูกลิ้นกายใจนั้นมีด้วยกันทุกคน ต้องสัมผัสัมพันธ์กับสิ่งที่เป็นคู่เพียมกันเห็นรูปเสียงเป็นนกเรื่องร่างตัดสินโตผู้จะออกจากทุกขู้จะถอดถอนกิเลสซึ่งมีสาเหตุเกิดขึ้นมาจากความร่างตัดสัมพันธ์นี้ต้องถอดถอนด้วยสติด้วยปัญญาบางคับไม่ควรดูไม่ดูไม่ควรฟังไม่ฟังในสิ่งที่เป็นข้าศิษย์ต่อธรร ไม่ควรสัมผัสสัมผัสไม่สัมผัสสัมผัญไม่ควรคิดความตึงไม่คิดไม่ตึงคำว่าไม่คำว่าควรคืออะไรควรจะคิดให้เป็นอัตเป็นธรรมนั่นควรถ้าจิตมันติดตึงแบบนี้คิดเพื่อแก้เพื่อขอเพื่อขอเป็นความคิดความเห็นความดูความฟังเป็นอัตเป็นธรรมจึงเรียกว่าควรนอกนั้นต้องบังคับ เพราะมีสิ่งอันหนึ่งผักดันดูภายในให้เกิดความหิวความกระหายแต่ไม่ได้แบบหิวกระหายดังเราหิวข้าวหิวน้ำกระหายน้ำก ะ, ะหายน้ำอย่างนั้นมันหิวด้วยอํนนานาจของกิเลสตัาหาไม่มีวันเพียงพอไม่มีวันอื่นหากจะค้อยตามเท่าไรก็ยิ่งเพิ่มใส่เผาตนขึ้นโดยลำบาบทวีคูณด้วยเห็นนี้จึงต้องหักต้องห้าม ต้องการต้อง้องให้ละเอียดละอออยู่ภายใ น, นใจของเราเสมอมีเรียกว่าทำงาน ท, ทุกทุกท่านทราบไว้ว่างานนี้คืองานของคราแท้เป็นอย่างนี้ไม่ได้เหมือนงานทางลกเดินไปก็ให้มีสติแต่ครับประคองใจให้รู้อยู่ภายในตัวนนยเยียกว่าผู้มีงานอันชอบธรมผู้มีทํามรักษาใ <c oughs> และพิจารณาตรายจองดูสิ่งที่เกี่ยวข้องสัมผัสสัมพันธ์กันนั้นให้ตรงตามความเป็นจริงอย่าฝืนความเป็นจริงนั่นเป็นเรื่องของขิ้เล็อันใดที่ฝืนความจริงงนั่นเป็นเรื่องของขิเล็อย่านำมาใช้ให้พยายามผักดันหรือหักข้างเต็มกําลังความสามารถของตนอย่าเสียดายการเสียดายลูกเสียงกินลดเครื่องสัมผัส ด้วยการอยากเห็นอยากได้ยินได้ทังอยากก็ะตับผลิตนั้นคือเสียดายกองถูกเสียดายฟืนเสียดายใสมาเผาลมนจิตใจไม่ให้มีความร่มเย็นเป็นสุขไปได้เลยเพราะสิ่งเหล่านี้เคยดัดสันดานตันดโลกมานานแล้วทําไมจะไม่ดับสันานเราแม้จะเป็นนักบวชก็ดับสันานไดน้ผิดทางเพราะฉะนั้นจงเดินตามทางก้าวตามทางที่พระเจ้าทรงสนอนอันเป็นทางปลอดภัยไร้ถุก ฝืนกันทั้เหมอจึงชื่อว่าเป็นการต่อสู้กับกิเลสไม่ฝืนไม่เรียกเพราะการต่อสู้จึงใด้ที่เป็นความภาคภูมเป็นความชอบตามปกติทิสัยของจิตใจสามัญคนเรามีร้อยทั้งร้อยเป็นกิเลสทั้งหมดให้ทราบไว้อย่างนี้เสงบคงต้องหักต้องห้ามพลาดฟันกันลงบัดทุก็ยอมรับว่าทุกไม่ต้องสงสยัย ว่าทุกประเภทนี้จะทําคนหรือทําเราให้ร่มจนุนอกจากจะเป็นการเพื่อถูนหรือเป็นปุ๋ยอันดีงาทเทศะใเราถึงแดนแห่งความพ้นทุกข์ความทุกที่เป็นปเพราะความเพี่ยนอันชอบทำนี้เท่านั้นนี่เป็นหลักสําคัญของการปฏิบัติให้ปากใจลงให้ลึกเหนือกิเลสเสมออย่าให้กิเลสตามเหยียบย่ำำําทําลายกดขี่บังคับในอิยาบถและความคิดต่างๆ ไม่ถูกต้องตามทางเดินของศาสนาผู้ถูกพ้นทุกไปแล้วและประกาศสอนธรรมไม่เพื่อถอดถอนให้พ้นทุกตามเสด็จพระพุทธเจ้าธรรมไม่ควรสงสัยทุกสิ่งทุกอย่างในโลกธาตุสามแดนโลกธัตุนี้เพราะเวลานี้เราอยู่ในท่ามกลางสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วสงสัยแต่หาอาไรส่วนธรรมเรายังไม่เคยรู้เคยเห็น ยังไม่เคยสัมผัสสัมพันธ์ภายในใจรถของกิเลสที่ผิดออกมานั้นเราได้เคยสัมผัสสัมพันธ์ได้เห็นเหตุเห็นผลกับมันพอเป็นส่วนแล้วเนี้อจะยังไม่มีปัญญาอันลึกซึ้งเหลมผมขนาดไหนก็พอจะทราบแต่ทุกข์เพราะการมำเพลินทำหรือทุกข์เพราะทำนี่เรายังไม่เคยทุกข์เพราะทำนี่คืออะไรเพราะคำเพียนเพื่อ อ, อัดเพื่อทำย่อมเป็นทุกข์บ้ง ถายกศาสดามาเป็นแบบเป็นฉบับพระองค์ถึงขัง้นสลบสายเราเพียงแค่นี้ยังไม่สลบสลายเหตุใดจึงจะยอมตายก่อนแล้ว <c oughs> ต้องยกขั้นผู้ดียกขั้นผู้เลิศยกทรามที่เลิศเข้ามาเป็นเครื่องถุดล่ากจิตใจของเราอย่ายกกิเลสเข้ามาเพราะกิเลสนั้นยกไม่ยกมันก็เหยียบย่าทําลายจิตใจของเราอยู่แล้ว มันจะยกคนให้หลุพ้นจากทุกข์ไม่เคยมีในกิเลสตัวใดไม่ว่าพ่อแม่ปู่ย่าตายายลูกหลานของกิหลสมันเป็นประเภทที่ก่อควรทําลายยุบแย่บีบบังคับสัตโลกทั้ง น, นไม่ปรากฏว่ากิเลสตัวใดมีความรู้ความเห็นที่เป็นอัตเป็นธรรมมายกยอจิตใจของคนให้หลุดพ้นจากทุกข์เพราะ การปฏิบัติเลี้ยงคล้อยตามมันนั่นเลยเราจรึงไม่ควรเชื่อมันจนฝัสใจความสังใจเพราะการเชื่อมันนั้นตอเป็นเรื่องของเค่งมันตั้งมันกล่องอย่างหนึ่ขอให้ทำได้กรองใจแทนเพร่งของกิเลสบ้างเถิดเราเป็นหนักปฏิบัติอทุก็ยอมรับว่าถูกแต่ไม่ถอย เอาจกนกระทั่งถึงกิเลทที่เป็นเหตุแห่งทุกข์นั้นดับสลายไปทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความเพียร น, นี้ก็กระดับไปเช่เดียวกันพระไม่มีที่เพียรไม่มีที่ละไม่มีที่ต่อสู้ไม่มีสิ่งต่อสู้จะต่อสู้กับอะไรพอให้เกิดทุกข์เพราะการต่อสู้นั้นนั้นในลา น, นี้ที่มีความทุกข์อยู่ก็เพราะมีการต่อสู้เพราะมีสิ่งต่อสู้จึง ต, ต้องเป็นนักสู้เสมอไม่ถอยหับ จิต <c oughs> ทีท่ไม่สงบพยายามเอาให้สงบด้วยวิธีการต่างๆทั้งสติทั้งปัญญาเรานำมาใช้ได้ทุกทีศ ท, ท, ทางของความสลมารความแยกายะของเราเพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนให้งงเพราะน่าจะทั้งหมดเราเป็นนักปฏิบัติขณะทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเพื่อนงานอันเดียวนี้เท่านั้นทําไมจะไม่ได้เหตุไปผลในงานของตนตลอดถึงผลที่ปราปกตรึ่งภาณิกิต ค, ความสมดุลใจทำไมจะมีไม่ได้แต่นอกเหนือศรัท ธ, ธาวิยัคติสมาธิปัญญานี้ไปได้เลยธรรมเหล่านี้เป็นธรรมที่รู้อฟื้นศาตร์โลกใพ้นจากทุกข์ได้จํานวนมากมายมายแล้วเป็นธรรมที่ทํธรรมสมัยและเหมาะสมกับการป ร, ราที่เดหิตตลอดเลยหละ่ะทำไมเรานํามาประกอบมาปฏิบัติจะเป็นไทยตอ่อล่าแล้วกลายไปเป็นคุณตกที่เหดห์มีที่ไหนไม่มี <c oughs> สงบได้แค่ไหนอุบา ย, ย่างปัญญาที่เป็นนำมาใช้ในการอังขวดมาสมกันแค่นั้นการที่จะได้พิจรนารณาตามโอกาสจะเรียกว่าปัญญาอาพิจารณาลงไปอย่าไป้าดไปคิดว่าให้สมาธิไปก่อนให้ปัญญาเดินตามหลังควรจะใช้ปัญญาเมื่ อ, อไรให้ใช้ ควรจะใช้ในทางด้านสมาธิเพื่อความสงบเย็นใจเมื่อหลอัเเอาตั้งหน้าตังตาทำน ง, งไปไม่ผิดไม่จำเป็นต้องเรียงลำาดับลำนนาเอาความเหมาะสมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตนที่เรียกว่ิเลศนั่นแหละมันเป็นเหตุการณ์ขึ้นมาถือนั้นเป็นต่ำมาควรจะพิจารณาแยกแยกแะด้วยสติปัญญาขนาดไหนธาตผลอย่างไหเอาให้เป็มเ ม, ม, เ ม, มเตตา อย่าท้อเถอะวนที่จะทำให้สงบก็ เ, เอาให้สงบให้อยู่ในเนื้อหมู่ของนักปฏิบัติไม่มีคำว่ามาก่อนมาหลังแต่พื้นเพของธรรมที่ท่านแสดงไว้เป็นกลางๆนั้นสมถธิปริภวิตาปัญญามหาพลาวเทวมาห้มมหาใ น, นสร้างข้าปัญญาที่มีสมาธิอบรมย่อมเดนคล้องแคลสะดวก ปัญญาไปไปปปริภายิตังสิดตังซ้ำมาเดระอัจเรนมีสติปิตที่ปัญญาเป็นเครื่องรักษาเป็นเครื่องสนับสนุนเป็นเครื่องถอดถอนทิเดตภายในสติย่อมบดดุดท้นจากทิเดตทั้งดวนได้โดยชอบมีท่านพูดเป็นลำ บ, บากลำดาในอย่างนี้เป็นส่วนมากแต่ส่วนที่เรานําจะมาใช้เป็นกรณีสำหรับ เหตุการณ์ของเรานั้นไม่มีต่มาจิเลสจะแหลกเหลวไปด้วยวิธีการใดนั่นแหละเหมาะสมกับเหตุการณ์นั้นๆมีเป็นหลักสำคัญเพราะจิเลสแท้ที่แท้จริงนั้นไม่ได้เรียงลําดับว่าความโลภมาที่หนึ่งความโกรธมาที่สองความหลงมาที่สามหรือความหลงมาที่หนึ่งความโกรธมาที่สองความโลภมาที่สา ความรักมาที่หนึ่งความชังมาที่สองหรือความชังมาที่หนึ่งความรักมาที่สองมันเป็นกิเลสผูกมัดจิตใจบีบคัน้นจิตใจของสัตว์ได้ทั้งนั้นไม่ว่าประเภทใดแสดงออกมามันเป็นกิเลสทั้งมวลทำให้เกิดความทุกข์ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการแก้กิเลสเมื่อเหมาะสมกับเหตุการณ์ใขดขณะให่ควรจะใช้สติที่ใช้ปัญญดให้ใช้ในเวลานั้นทันที เต็มจะทันกับกิเลสประเภทต่างๆซึ่งมันซึ่งมันซึ่งมันไม่มีการเรียนคิดเราจะไปปฏิบัติแบบเรียนคิวอยู่นั้นลูปนั้นคำนี้ไปเท่านั้นเองไม่เกิดประโยชน์เนี่ยหลักปฏิบตัติกา ร, รเพื่อปฏิบัตินั้นคือการเข้าสู่สงครามต่อผู้กับกิเลสย่อมจะทราบเรื่องราวของกิเลสได้เป็นอย่างดีโดยลําดับไปการกล่าวสมาธิก็กล่าวซัำๆ เพ่จิตสงบด้วยอารมณ์ใดนี่ก็เคยพูดแล้วแต่ก็มีท่านภูมาศึกษาสอบปนกันอยู่เรื่อยจำต้องเนี่อธิบายันทัางสับปะดีเสมดการทำจิตให้สงบท่านก็อธิบายไว้แล้วทำในที่เป็นที่ถนาาัดใจสนิทสับใจ เหมาะกับจริของตนให้เพิ่ง น, นำคำนั้นมาบริกรรมภาวนาเนี่ยเป็นพุทโธพุทโธหรืออัตถิอัตถิว่าออัตถิอัตถิกำหนดเอากระดูกในชิ้นใดก็ตามเข้ามาเป็นคำบริกรรมอย่างนั้นก็ได้หรือจะกำหนดเฉพาะอัตถิอัตถิเท่านั้นก็ได้ไม่ให้จิตเถอส่งไปที่ไหนมีสติกำ ก, กับมาของตนนี่ท่านเรียกว่าอารมณ์แห่งสมถะเพื่อความสำเร็จ ให้ทําตามนั้นจริงๆต้องสนใจกับความคิดความตรุงใดๆนอกจากความคิดตรุงที่เกิดขึ้นจากคำโดยกำพนาของตนทั้งหนังแนวจิตก็จะสำหนดว่าปัญญาคือการสอดสอบคืออาการแห่งความแยกกายของจิตที่พิจรารณาเนี่ย น, ะนั่นเนี่ยนี่ทดสอบเหมือนกับบวกรบปูญหานเรียกว่าปัญญาเริ่มตัจากการพิจารณาร่างกาย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 ผมหรือผนหรือเล็บหรือฝันหรือหนังแต่พ อ, อยางยิ่งหนังเป็นสิ่งสำคัญบางบางนิดเดียวฟังให้ซึ้งนะความจริงเป็นอย่างนั้นทําเป็นอย่างนี้โดยแท้หนาอ่ายไม่มีอะไรบางยิ่งกว่าหนังผิวของมันบางๆเท่านั้นหุ่มหอ่อกองปฏิกูลไว้ทั้งทั้งร่างดูสิร่างเขาร่างเหล่ามองไม่เห็นเลยจริงบางๆเท่านั้นมันติดกนะัน ้างตาไวเท่านั้นนูดตาฟางก็มูดนิดปิดตาเป็นพรานท่านเป็นสอนว่ า, ากระจตยกระจุยพะจะปริยนโตน้ำงอยูเท่านั้นทำให้โลกทั้งหลายหลงกันปัญญาที่จะหาดูตั้งแต่ผิวนี่มันก็เต็มไปเลยมูดวันเด็กๆพูดขงของสองกปรกอยู่แล้วพวกเงพวกใครมันก็เป็นน้ำ ที่เหงาที่ใครมันก็เป็นคู่อยู่แล้วดูเข้าไปบงครับปัญญาให้ดูอย่าให้มันะเฉลี่ยเฉลียไปไหนติจดต่อต่อเนื่องกันดูจะเห็นตรงไหนก็เห็นเถอะเป็นร่างกายเดียวกันธัดมชาติธเดียวกันขณะที่ดูหนังเรากําหนดที่ตรงไหนไว้จับตรงนั้นไว้ให้แม่ดันที่ในหนังนั้นจะ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 ไม่ต้องไปหมายให้รู้อยู่กับลมสูงกระตำไม่ปล่อยลมนั่นแหละความจริงอยู่ตรงนั้นอันนี้หนังเนื้ออะไรก็ตามในขณะที่พิจารณาร่างกายมีพิจารณาหนังแล้วพิจารณาหนังบางทีขยายตัวไปหมดถ้ยาใหญ่โตขึ้นใหญ่ยยโตขึ้ น, ยยนไม่ต้องตื่นเต้นไม่ต้องตกใจดูยยใหญ่ขนาดไหนผู้รู้มีอยู่ครอบไปหมดนั่นแหละมันจะใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาผู้รู้ก็รครอบหมด มันจะครอบโลกธาตุผู้นี่ก็ครอบมันได้มันจะได้จะโตจะสูงขนาดไหนก็คือกองรัชพะอสุพังคือร่างกายของเราเนี่ยดูมันทํามัน ต, ติดแนบอยู่ตรงนั้ น, นจะสูงจะต่ำํำยาไปสําคัญให้สําคัญอยู่ที่ตรงรู้เอ้าหนังจะเข้าตัวเข้าทางไปยังไงมีลักษณะยังไงให้ดูอยู่ตรงนั้นจะกระจายไปไหนก็ให้รู้ความรู้กับสิ่งที่พิจารณานั้นใค่ติดแนบกันเสมอ ยาไปสําคัญมันหมายว่าสูงไปต่ปําปรุดอันร่างการนี่มันแตกแต่ร่างกายของเราแท้ๆมันไม่ได้แตกนี่เน่ยเนี่ยมันจะมาหลอกเราตรงนี้นะเนี <Okay. S 1> ่ยพอมันจะแตกอย่างนั้นนี่น่ะเราที่จะมามีปัญญาอย่างทราบไว้ก่อนกอย่ญญางทราบไว้ล่วงหน้าเป็นความถูกต้องแล้ว mm. จนที่จะพิจารได้อย่างทัดเจนเห็นไมที่เด็ดมันหลอกชราว่าสวยงาม ทั้งทั้งที่มของเป็นของปฏิกูลโสโครหมดทั้งเนื้อทั้งตัวทําไมเรายังยอมเชื่อมันทีนี้เราพิจารณาตามหลักความจริงคือทำว่าเป็นสิ่งที่ปฏิกูลโสโคกเป็นสิ่งที่จะต้องแตกสลายต้องทําลายทางทลารลไปหมดทั้งหน้านี้ทําไมเราจะไม่เชื่อมีเป็นความจริงแท้ความไม่เชื่อนั้นคือเรื่องของที่เรศขวางธรรมนับปิดกั้นธรรมไม่ให้เดินด้วยความสะดวกเพราะฉะนั้นจึงปราบนั้นออกแยกสติปัญญาเข้าสู่จุดแห่งความจริง หนึ่งความเป็นปฏิกูลนั่เป็นไปหมดทั้งเร่านี้แล้วตั้งแต่เรายังไม่พิการณาทำไมจะมารูปๆคำคำว้ามันสวยเงานไม่ได้ถ้าม่ใช่ผู้หรุษตาฟ้าไม่ใช่คนตาบอดถ้เป็นตามอาตตันทำแล้วมันก็จริงอยู่แล้วอย่างนั้นเออนอกเรื่องงานนิจจังมันก็แปรอยู่ทัอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายของหลังทุกขังบีบอยู่สงสัยที่ตรงไหนความทุกข์ทั้งหลายนั่นแล้วอนัตตา ของเรียกสมานาตตาอะไรเป็นเราเป็นของเราขุดถ you know ึงปฏิค an like? like ูลกับกองปฏิคูลเป็นเราได้อยังไรถ้าความปฏิกูลเป็นเราได้มูลสดมูลแห้งอยู่ตามถนนล้มทานมันก็เป็นได้แล้วสิถ้ามันเป็นของปฏิคูลด้วยกันเอันนั้นเรายังไม่ถือว่าเป็นเราเป็นของเราอันนี้เราจะถือว่าเป็นเราเป็นของเราได้อย่างไรมันเป็นสภาพอย่างเดียวนะแยกจิตแยกปัญญาพิจารณาอย่นีครับตามความจริงแล้วคําว่าอุปาทานอุปาทานความที่มั่นถึงมั่นมันเกิดขึ้นจาก หอยกิเลสหลอให้เราลุ่มแล้วหลงเราจึงแบบจึงห า, ามกองปฏิปุณกองทุฟาชุทางตากเท้าผีดิบมีให้หนักเท่าไรก็ไม่ยอมให้ปล่อยให้วางไม่ยอมให้เห็นโทษต่างหากมันเป็นเรื่องของกิเลสมันหอกต่างหากเรื่องของธรรมต้องปล่อยต้องวางเมื่อเข้าใจมากน้อยเช่งไรจะค่อยถอนตัวเข้ามาถอนตัวเขา้าเมื่อรู้ชัดตามเป็นจริงเต็มภูมิของอ้างกายร่างกายที่พี่อยูรอบแล้วนี้นั้นอุปทานจะถอนเข้ามาหมดไม่มีสิ่งใดเหลือ นี่คือการพิจารณาด้วยปัญญาให้เดินอยู่ตามนี้พิจารณาตามนี้งานเรามีเท่านี้เอาจจะแยกไปทางหน้าก็ดูเพื่วโลกธาตุนี่มันก็เหมือนกันเนะมีอะไรผิดแปกต่างกันพรอพิจารณาติดออกสิดใจเพื่อพ้นล่นลงไปกับมันเมื่อความมึนมุ่งหลงๆที่เคยเป็นมาแล้วพิจารณาให้เห็นลงตามความจริงนี่เรียกว่าปัญญาจะได้โดยวิธีใดเป็นอุบายเป็นวิธีการหรือเป็น ตามสดิมิสัยของผู้ที่เจนมาะเอามาเป็นแบบเป็นฉบับให้ผู้หนึ่งผู้เดียวอย่างตายตัวก็ไม่ได้ต้องเป็นเรื่องของแต่ละลายที่จะหาความเนียคายต่อตนเองเพื่อตัวเองได้ปล่อยวางสิ่งทั้งหลายเหล่ า, านี้ร่างการนี้หนะักเป็นสาคัญต้องคิดเจอมะถา้าน่ข้างนอกเอาข้างนอกให้ถือตั้งขึ้นกาหนดแตก โทษให้ฟังเพียงเอ ก, กเทศหรือว่าทั้งรุ่นก็ได้ตามแต่ท่านผู้ฟังข้างหลายจะไปแยกแยกนิพพิจนาตามสติกำลังหรือจริตนิสยัยทั้งตน น, น่านสนิทแน่นี่ไม่มีสิ้นสุดขามาปั ญ, ญญาแล้วไม่สิ้นสุดการบูกับผู้ดับหากเป็นความขนัดใจของผู้นั้นจะพิจนาให้เป็นความแยกคายใจตนเองถึงการพิจาาทางวิตักษนา ในธรรมเดียวกับปัญญาวิปัสนาแปลว่าความเห็นแจ้งคือเห็นแจ้งตามเป็นสิงไม่ได้เห็นแบบมืดดำกำตาอย่างที่เราเห็นนี้เห็นอะไรหลงอันนั้นยึดอันนั้นนี่นี่เห็นแบบอวิชชาวิปัสนานี่เห็นแบบธรรมรู้แบบธรรมปล่อยวางแบบธรรมเห็นแบบกิเลสรู้แบบกิเลสยึดถือแบบกิเลสแบกกองทุกแบบีแบบกิเลสไม่ใช่แบบธรรมจึงต้องพลิกทํารู้สึกอันเป็น ไฟพิเดียร์ควบคุมนั้นเข้ามาสู่ทางให้ทำคืูกติปัญญาควบคุมงานของตนให้เห็นตามเป็นจริงที่มีกับตัวนี่ทุกคนทีจะน่านแล้วพีจะ น, าน่าเราถือเป็นงานจำเป็นสำคัญในชีวิตจิตใจของเราเนี่ยคืองานของข่าให้เป็นอย่างนี้คึงเรียกว่างานของข่า ถึงเรื่องความทุกข์ภาในร่างกายเมื่อพิจารณาคาดขันลงถึงขนาดนี้แล้วมีคมปัญหาอะไรกับทุกข์กายก็เป็นกายทุกข์ก็เป็นทุกข์ัต่างอันต่างกันขงมันอยู่แล้วเนะหลงไปที่ไหนทุกข์เกิดขึ้นดับไปก็คือกองอันนี้ไตรลักษณ์อันเดียวสภาพร่างกายนี้กองกตรลักษณ์ที่เกิดตั้งอยู่ดับไป ต, ตามการตามเวลาตามปัจจัยของมน ที่สุดต่อกันไปได้มากนะ้อยกี่อย่างหนมันก็สลายตัวลงไปทัางนั้นอย่างนีว่าอันนี้จังมีมงการพิจารณาปัญญาเวลาจะพิาญญาจารณาก็ทำให้เป็นสมคัคราคือความสงบกอฟังเอาจริงเอาจังเช่นเดียวกันสติเป็นของสำคำัญที่ต้องบังคับเมื่อสติปัญญามีทางเดิน มีต้นทุนรู้วิธีพิจารณาแล้วสมาธิก็เบาใจเรื่องปัญญาก็เบาใจถึงจะยากลําบากก็รู้วิธีเหมือนกับงานที่เราเคยทําอยู่แล้วยากลําบากยังไงก็พอทําได้ทั้งนั้นเพราะรู้วิธีทําสําคัญที่ไม่รู้วิธีทํานี่ทั้งยากทั้งไไมม่่รรรู้้้วิิธียยุงงงงงปหนนกกาาาาพจณเบบืออตตทััลําบากทั้งไม่รู้วิธี <c oughs> <c oughs> พิจ า, า, า, ารณา มันจึงเป็นเหมือนกับโดดข้ากอกไปน้ำหนามทั้งกอนมันแหลกไปหมดทั้งตัวแต่พอรู้วิธีแล้วทุกอุปสรรคเปลียนไปมันก็เพือพ่อเก้าเสร็จขอทำไปทั้งนั้นพอรู้วิธีทามีแยกประเภทให้ทราบถึ ง, a, งเรื่องการพัฒนาด้วยถึงเรื่องของขันด้วย ฐานทะแปลว่ากองแปลว่าประเภทถึงแปลว่าหมวดแล้วแต่ว่าตามความถนัดใจเราแยกเอาถือกองกองทุกเนี่ยนี่มันถึงจัดแปลว่ากองทุกนอกจากเพื่อนเท่าถึงที่สามองกองทุกเท่านั้นทุกอยู่ได้ด้วยอยู่ได้หมดไม่เหมือนเวทนาต่างกเวทนาทางใจ มันเป็นรายรากเกิดกันมันเป็นประจัยทำอันหนึ่งหรือความจริงอันหนึ่งสังขางสัญญาความหมายหมายออกมาจากใจนั่นแหละจะเป็นอาการของใจเมื่อปัญญาได้ก้าในส่วนร่างการนี้ไปแล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ค่อยเศร้าไปตามๆกันเพราะมันเกี่ยวโยงกันแม้ในขณะที่เราพิจารณาร่างกาย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 ในภาคปฏิบัติวงคัรหานี้ไม่ะไละเอียดยิ่งกว่าสัญญามันเหมือนกระดาษสุซึ่งสิ่อ okay. ะไรเป็นหมายได้เป็นภาพขึ้น ม, มาได้อย่างนมัยสองขา น, นั้งยับมาเป็นความคิดความปุดแต่สัญญานี้มันเยอะไปทางสติปัญญาไม่ทันมันไม่รู้เมื่อสติปัญญาทันแนละ้วปิดไม่อยู่มันรู้เองเมื่อรู้แล้วทําไมจะปรุงไม่ได้แล้วทําไมจะละไม่ได้ทางสติปัญญาพอ ฐานยินยานแต่ละอย่างอย่างก็ขันเนี่ยยินยานก็รับทาบแยบแยบแ ย, ยทางหูต า, า, ห, ตาหมูกลิ้นกายที่สัมผัสกันกับตารวมกับพูดเสียงกงลิ่นรสท่านมันก็ ด, ดับไปดับไปตามผิ่วที่นั่นตามผิวนั้นผ่านไปผ่านไปเนี่ยมันก็มีเท่านั้นมีการพิจารณางานของรับเอาให้จริงให้จริงงานนี้เป็นงานถอดงานถอนงานค้นหาทําอันประเสริ ต้องแย่งกิเลสต้องต่อสู้กิเลสที่มันไปเที่ยวตักเสียบไว้หมดทุกแง่ทุกมุมทั้งภายนอกภายนอกตัวจอมปลองล็อกตัดโลกมันต้องสามโลกกระทำไม่มีสัตโลกตัวใดเจ้าหนุ่มกิเลสนี้ไปได้ให้มันครอบเป็นเจ้งงานาคไว้หมดจึงเหมือนกันกันกบเรือนตจำหายใจว่าดีว่าดิบว่าสุขว่าสบาขนาดไหนก็เหมืนอ น, นกับนักโทษ ว่าที่ว่านายดีนายสุขอยู่ในเรือนจํานันแหละมันศัพแต่ว่า น, นโน่นผู้เขาไม่ติดคุกติดตลาวต่างหากเขาจะชื่อว่านายสุขไม่นายสุขกษัตรคนนั่นเป็นอิจฉากวานักทษในเรือนจำนี่กจคิดมันติดคุกถูกควบคุมบังคับบัญชาคุกมหมายถึงวัตตะอวนนี่แหละ พิเดลเป็นผู้บงการพิเดลเป็นผู้ควบคุมพิเดลเป็นผู้บังคับบัญชาเป็นผู้บีบีสีใสหาความสุขความกระบานไม่ว่าอาจะตาจริงจริง ม, มันก็เอาอาหารเครื่องล่อรวงนั้นมาหลอกะมั้งให้พอ ใ, ให้เพลินนิดๆแล้วมันก็บีบเข้าไปนี่เรื่องของพิเดลเป็ น, น, ปนยังไงเมื่อในพิจารณาสิ่งที่มันจอมปลที่มันตักเสียดไว้นี่อย่างโดยตลอดเธอถึงแล้ว นิรเลศันก็แตกร่างแตกเมืองมันได้เหมือนกันจะมีแต่เราแพ้มันอย่างเดียวเหรือมันก็แพ้เราได้ด้วยธรรมนี่แหละเป็นสิ่งที่พาให้ชนะชนะมันจะได้โดยลำดับลำดับเผาเขาก็ไปกรงรูปเขาก็ไปจังเวธนาทุกทุกเฉยเขาก็ไปที่สัญญาเขาก็ไปที่สังขารเขาก็ไปที่วิญญาด้วยสติปําญาเผาแรกก็อย่าไปเผาบ้านทั้งหน้านันก็มีที่อยู่ เล้ยเข้าไปสู่อุโมงคือใจอันเป็นฐานเดิมที่เดิมที่สังเชื้อของมันอย่า ง, งตรจมนิ้นั่นก็ตปะธรรมเผาเข้าไปอีกตรงนั้นวิปัสสนาอันธรรมสมัยนั่นแหละเรียกว่าตปธรรม ท, ที่ทําสมัยไฟที่แผลเผาที่สุดเหนือกิเลสเผากิเลสแลกแหลกประจายไปเลยภายะยกิเลสหาที่ตัางบ้านต่างเนือนไม่ได้แล้วอันไหนจะไปเกิดที่น เรากิเลสเป็นผู้พายเกิดที่เรียกว่าตั้งบ้านตั้งเมืองตั้งถาตั้งถังในภกน้อยภกใหญ่ถูกตปปะทำก็คือสติปัญญาอันแหลมคมที่เราได้สึกมาตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานทั้งขั้นเตรียมไกลแล้วก็ฟาดกันลงที่ตรงนั้นแลกกันที่ตรงนั้นกิเลสหมดที่เท้าบ้านกิเลสหมดภายในหัวใจนี้ เป็นตุกจุดท้ายเมื่อกิเลสถูกเถาแหลกหมดด้วยกุชลาธรรมคือควาฉลาดแล้มคมของเราแล้วนั่นแหะผลคือทำอันประเสริฐที่ท่านว่าโล ก, กุตตระธรรมอันสุดยอดได้ปรากฏขึ้นแล้วที่ใหญ่ตายกัดทำได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวโดยสมบูรณ์เต็มที่แล้ว น, นั่นแหละท่านว่า เอาตัวรอดเป็นยอดคนคนคือเราจะก่อนตําช้าเร็วตามก็คือเราโง่เง่าเตาตุนก็คืียวไอสิเลียบยีบอยู่เหมือนหมูดเหมือนพูดก็ก็คือเราอันนี้ได้ผ่านพ้นไปหมดแล้วในจิที่กล่าวนี้เหนือสิเลียสิเลียหมดไปแล้วมันจะเหนืออะไรอีกในจิต น, นั้นก็ไม่มีนอกจากว่าเหนือสมมติที่มันมีอยู่เท่านั้น โลภุตาธรรมคือทาเหนือสมุดสูงกว่าสิ่งทั้งกุกนี่คือผลของการปฏิบัติตามทางศาสนาที่ประธานไว้แล้วประทานเพื่อทำเหล่านี้เลยไม่ใช่ประธานตัว อ, อะไรทำที่ประทานวันนี้เป็นทำที่ส ด, สดสดร้อนร้อนเป็นทำที่เหมาะสมสำหรับเวลาที่จะปราสิ่งที่เป็นข้ า, ขาศิกภายในจิตใจของเราให้แหลกแตกกระจายไปได้โดยไม่ต้องสงสัย ข้างขอทุกท่านจงฝังให้ลึกในธรรมทั้งหลายที่กล่าวมานี้ว่าเป็นธรรมจะปราภิเลกให้บรรลายโดยไม่ต้องสงสัรด้วยความเพียรของเราแต่ท่านเราให้หนักแน่นทาอะไรให้จริงให้กับงยาแล้วแหละเพื่อแล้วจริงเก่งกล้างก้าทุกสิ่งตัวอย่างให้มีสติกำกับเสมอทั้งการนอกภายในนี่แหละคือ ผู้มีความเปี่ยนผู้มีส ต, ผส ต, ผสติผู้ไม่ลืมตัวอยู่ตนี้เฟื้นงฐานที่จะห้รู้อาจู้ทำเขึ้อนอยู่กับความไม่ไม่ลืมตัวความมีสติและต่อเนื่องไปจนกระทั่งถึงมหาสติมหาปัญญาคือต่อกันอย่างเป็นแถวไปเลยไม่มีวักใดตอนใดว่าขาดสติขาดปัญญานั่นน่ะถึงธําเหล่านี้แหละเป็นธําที่ควรจะเผาบ้านเผาเรือนเผาโพธิเผาช า, าของเกลื่อให้แหลกและเหยียบภายใจิตใจ เหลือใเหลือแต่ใจที่บริสุทธิ์ต้นลวนแั่งอยู่ไหนจะอยู่อยู่ในท่ากลางแห่งขันแห่สมมุตินี่แหละแต่ไม่ใช่ธรรมมันไม่ใช่ขันไม่ใช่สมมุติเช่นเดียวกับท่านว่าธรรมมีอยู่ตลอดเวลาเมยอยู่ในท่ามกลางแห่งโลกธาตุนี่แหละแต่ไม่ใช่โลกธาตุนี้เป็นธรรมธรรมเป็นธรรมโลกธาตุเป็นโลกธาตุเดินสมมุติเป็นเดินสมมติไดมุดเป็นไดมุดธรรมภายนใจคือวิมุตติธรรมภายนใจก็เช่นเดียวกัน อยู่ในท่ามกลางแห่งขันแต่ไม่ใด้กันฮารเป็นความเบอสุดโดยเฉพาะขั้นต่ำจนพังตั้ง อ, อกตั้งใจนี่พิจาย่าจะให้เสียความเป็นพระจะให้เสียชาติที่เกิดมาเป็นมนุษย์ได้บูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ด้วยเพศและข้อปฏิบัติเป็นธรรมานธรรมปฏิปันโง ปฏิบัติทำเหมาะสมกับธรรมที่จะให้ถึงความพ้นทุกข์แล้วคําว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเรากราบทจะเห็นขึ้นจากการปฏิบัติและผลแห่งการปฏิบัติของตนโดยลำบากจนกระทั่งถึงความเบิกสุดย ม, มุดตุดพ้นเต็มดวงใจนั่นคือเห็นตถาคตเต็ม อ, อกโดยไม่ต้องสงสัยการแสดงธรรมก็จะไม่ซึมซวัดดุจเต็นธรรม